ถ้าใช้คําว่าภานิพานาเนี่ยหมายถึงว่ายินดีที่จะหมดกิเลสนะนี่พูดพูดภาษาที่แปลมาไม่อยา่างนั้นบางคนเนี่ยฟังบอกบอกโอ้นะนิพานนิพานนิพานนู่นเลยนึกนึกไปเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องตายเรื่องเรื่องอะไรที่ที่มันมันนอกตัวนอกตนออกไปแต่จริงจรินิพานแล้วมันไม่ใช่นอกตัวนิพานเนี่ยหมายถึงตัวเราโดยตรงเลย ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็บอกแล้วแปลว่าทํากิเลส ใ, ให้หมดไปให้เกลี้ยงไม่ให้เหลือตอนนี้นี้ท่านกับสอนตัวเองใหญ่ละเนี่ยเยใช้ปัญญาใช้เหตุผลใช้วิธีการต่างๆที่จะคิดขึ้นมาคิดเพื่อที่จะล้างไอ้ความใคร่ความอยากความป่าถนาในกามเนี่ยเนี่ยกำลังสู้กันตอนนี้หาวิธีการที่จะมาสู้กับจิตตัวเองเพราะจิตเลวเนี่ยมันจะคิดไปในทาง ออมายินดีพอใจะอะไรต่างๆในกามแตอ่อันนั้นจิตไม่ดีส่วนจิต ด, ดีเนี่ยจะต้องสู้คันก็คิดในทางที่เรีว่าจะลบล้างจะถ่ายถอนไอ้จิตไม่ดีนี่ทิ้งได้ยังไงเนี่ยก็คิดเหตุผลที่ะอะไรต่างๆเนี่ยมาชนมาปะทะกับมันแล้วก็คิดต่อนะว่าภิกษุควรละการคุ่นคิดไปในกามละความยินดีในภรรยาและบุตร ละการคลองเรือนโดยประการทั้งปวงใช่ไหมอยากคิดว่ายิ่งเป็นนักบวชแล้วโอ้โหยิ่งต้องเลิกเลยอะ่ะไม่ควรไปคิดแล้วถ้าไปคิดถึงผู้หญิงอยู่เดี๋ยวก็สึกเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเลิกคิดเพราไม่ไม่คิดมีเย่าเรือนนะนีะ่ไม่อยากต้องมีภรรยามีลูกมีครอบครัวอะไรแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมาคิดเรื่องนี้ตัดทิ้งไม่คิด นะไม่สร้างตันหาดังป่าชัดในที่ไหนไหนอีกไม่สร้างตันหาก็คือไม่สร้างใจที่มันจะใครอยากไปในกามเนี่ยดังป่าชัดหมายถึงว่าป่าชัดนี่ก็คืออะไรป่าลกเลยป่าทึบอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าป่าชัดเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ไปเพิ่มความยินดีความพอใจในในเรื่องกามอะไรที่เป็นตัวเพิ่มคือความสุขคนเราเนี่ยชอบคิดถึงความสุขที่แบบ โอ้โหถ้ามีคนที่เรารักอยู่เงี้ยแหมเวลาเราเจ็บเราป่วยก็มีคนปลอบใจมีคนรักษาดูแลนะหรือว่ามีคนช่วยหาเ ง, งินหาทองมีความอบอุ่นเวลาทุกข์เศร้าใจนเนี่ยเมันจะคิดไปในทางที่ว่าเป็นสุขในการที่จะมีคู่ครองเพราะถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมันไม่รอดแล้วนเนี่ยเคือเพิ่มกิเลส เพิ่มกิเลสความสุขในในการมีคู่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับป่ารกชัดคือไปทำให้มันยิ่งยุ่งเหยิงยิ่งโอ้โหไอ้ต้นไม้ใบหญ้าพวกนี้ยิ่งจเจริญเติบโตใบดกผลดกลูกดกเต็มป่าไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกคิดไอ้พวกนี้นะบอกเนี่ยต้องถ่ายถอนออกเพราะทุกสิ่งในโลกเป็นของไม่เที่ยง ล้วนต้องสุดโทมแตกทำลายไปทั้งสิ้นผู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้ได้ย่อมเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยท่านก็พยายามเตือนโดยเองว่าว่าไอ้อย่างนั้นนะ่ครอบครัวก็ตามนะจะมีแฟนมีลูกมีหลานอะไรทรัพสมบัติข้าวของเงินทองแรงต่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีสุดโทมนะเดี๋ยวตัวเราก็แก่ ภรรยากแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องตายคือมันต้องเสื่อมมันต้องทําลายไปจะรอตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็มาทุกข์ร้องโหมร้องไห้พัดภาคจากกันโอทรมานถ้าไม่มีซะก็ไม่ทุกข์ไม่ท้อไม่ต้องทรมานไม่ต้องมาเสียทรัพย์ไม่ต้องมาคอยรักษาทรัพย์ไม่ต้องมาคอยรักษาเมียรักษาลูกเพราะว่าไม่มีเมียไม่มีลูกให้ต้องมาคอยเป็นห่วงกังวลต้องมาแบกภาระอะไรพวกนี้ เพราะนั้นมันก็จะสบายขึ้นเนี่ยก็จะหลุดพ้นจากจากทุกขหรือว่าจากเครื่องพันธนาการพวกนี้ได้แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยปุถุชนย่อมติดหลงหมกมุ่นพัวพันอยู่กับรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังกลิ่นที่ได้ดมรสที่ได้ลิ้มและสัมผัสที่ได้แตะต้องแต่ภิกษุควรเป็นผู้ไม่หวั่นไหวกําจัดความพอใจในการมกุฎห้านั้นเสีย เพราะผู้ไม่ติดอยู่ในกามคุณห้าบัณฑิตเรียกว่าบุนีนะเนี่ยก็ทางกรสอนตัวเองต่อไปอีกว่าถ้าใครเนี่ยมาติดในรูปรูปที่ได้เห็นเนี่ยนี่ยสมมุติว่าไปเจอผู้หญิ ง, ห ร, ห, ญงหรือผู้หญิงเจอผู้ชายเนี่ยโอ้โหคนที่รอดีคนที่สวยดีนั่นเนี่ยพอตาเจอปั๊บมันเริ่มปรุงคิดไปเรื่อยแล้วนะหรือว่าเสียงบางคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนี้หลายโหลเลยเพราะว่าอะไรโอ้โหไอ้โทรศัพท์มือถือเกลื่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนตัวเล็กตัวน้อยมันมีมือถือโอ้เพราะว่าบางทีไม่ต้องเห็นหน้าก็หล่ะแล้วเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเห็นหน้าได้ด้วยแล้วใช่ไหมโทรศัพท์อ่ะถ่ายรูปก็ได้ด้วยเห็นหน้าก็ได้ด้วยโอ้โหมันหนักข้อแล้วแต่ก่อนยังได้ดีนแต่เสียงยังมีเลยคนที่ติดแต่เสียง บางทีเนี่ยเห็นหน้าอาจจะโอ้โหแทบเป็นลมแต่ได้ฟังเสียงแล้วโอ้โหมาปรุงใหญ่เลยนะเสียงหานขนาดนี้หน้าน่าจะหวานขนาดนั้นปรุงใหญ่เลยบางคนจะปรุงไปเรื่อยอะ่ะแล้วบางคนเนี่ยติดในเสียงจริงๆบางทีเจอหน้าก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะ่ะแต่ว่าโอ้โหได้ฟังเสียงแล้วยินดีมากเลยพอใจมากอ่แล้วก็อะไร เสียงแล้วก็เอากลิ่นที่ได้ดมาบางคนนี่ไม่ต้องกินอาหารหรอกไม่ต้องกินอาหารกินตัวคนเนี่ยคุณว่าเหม็นหรือหอมกลิน่นกินตัวคนเนี่ยปกติเหม็นหรือหอมนะพวกคุณก็ว่าเหม็นใช่ไหมเออแต่บางทีเนี่ย <c oughs> โอ้โหเวลาจะไปอะไรอ่ะก่อนลัดฟักเวียง ไปจูบกันไปอะไรกันโอ้โหจริงๆมันเหม็นแต่ว่านเนี่ยเนี่ยอุปทานหรือว่าไอ้พูยง่ายว่ามันหลอกตัวเองอ่ะมันหลงมันหลงก็ว่าหอมได้อ่ะเออก็เป็นมาอย่างนั้นได้อาดมาเคยพูดให้หลายคนฟังนะบอกว่าทัเอ้ยคุณเนี่ยเนี่ยเรื่องอย่างบางทีไปดูหนังดูละครเนี่ยนะเขามีบทแบบว่าเลิฟซีนแบบประเภทอะไรอ่ะบทรัก จูบกันน่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่มีหรอกจูบ ป, ปากกันไม่มีหลังๆเนี่ยใช่ไหมจูบ ป, ปากกันแล้วอะไรมาบอกนี่ยๆเนีนนน่โอ้โหมันทําเป็นอะไรนะหวานซึ่งดูดดืม่มโทษจริงๆแล้วมาบอกจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนั่นนะคุณดูแล้วคุณอย่าโดนหลอกนะหนังมันหลอกคุณแล้วส่วนใหญ่ก็จะหลงอย่างนั้นจริงๆด้วยแล้วก็นึกว่าโอ้โหมันหอมหวานมั น, มนอะไรอะ่ะ มันน่ายินดีมันน่าพอใจอาตมาบอกเหม็นจะตายไปยิ่งป่าคนเราเนี่ยเหม็นมากเลยและเชื้อโรคมากด้วยวันนั้นท่านเบิกบานบอกอาตมาบอกเนี่ยฟังรายงานข่าวเ้าบอกมาป่าคนเราเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่เชื้อไอ้พวกแบคทีเรียเชื้อเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมีตั้งเปร้อยชนิดเนาะไม่รู้นะกี่ร้อยชนิดไม่รู้ท่านบอกวันเนี่ยเนี่ยข่าวก็ยังออกมาเลยวันและ อาตมาบอกคุณอย่าไปหลงตามหนังตามไอ้ละครตามอะไรที่มันหลอกคุณไม่ต้องอือนไกลหรอกอนันต์บอกคุณไม่ต้องอือนไกลนะคุณแค่เอาลิ้นเลียมือคุณเนี่ยเลียแขนคุณเนี่ยนะไม่ต้องของคนอื่นแล้วของคุณเองนั่นแหละคุณลองลองลองลองเลียมือคุณดูนะให้มีดาลายติดไว้นะแล้วคุณลองดมดูดิคุณลองดมดูแล้วคุณจะรู้ความเป็นจริงโอ้โหเหม็นจะตายไป ไม่ได้หอมไม่ได้อะไรเลยวันคนที่รู้สัจจะเนี่ยจะจะไม่หลงพวกที่หลงอยู่เนี่ยแบบว่ามันมันมันสร้างอุปทานหลอกตัวเองจนกระทั่งของเหม็นกลายเป็นของหอมได้มันมันอุปทานนะมันสร้างจนหลอกหลอกตัวเองพรานถึงบอกว่าความเป็นจริงแล้วเหม็นจะตายชักไปไม่ได้หน้าพิษมัยอะไรเลยกรมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องอะไรอะ โศ ก, กะปกโดยําไปเป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าพิศวาสไม่น่าพิสมัยอะไรเลยแต่เราเนี่ยโดนปั่นหัวโดนหลอกจนกระทั่งโอ้โหนึกว่ามันน่าพิสมัยมันน่ารักน่าใครแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แต่บางคนเนี่ยกว่าจะรู้ความจริงได้ก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะถอนตัวยากแล้วเพราะอันนี้ถ้าเป็นบัณฑิต เราเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยพยายามอย่าให้อุปทานพวกนี้หลอกถ้าถ้าถ้าคนนะไม่พ้นสงสัยอันนี้นะเสร็จทุกรลยเลยแล้วก็ยากจริงๆด้วยเรื่องพวกนี้มันยากจริงๆนี่พูดพูดเพราะว่าอะไรอะ่ะมันมีกิเลสพวกดีมาอยู่นะกว่าจะโอ้โห ค, ค่อยเอาชนะมาทีละด่านสองด่านสามด่านได้นี่มันทรมานท ร, รมมาเยอะแล้ว เพราะเนี่ยพยายามพูดตรงนี้ให้ให้พวกเราฟังเราจะได้แบบว่าเออบางทีโดยเฉพาะเนี่ยคนที่เป็นโสดมามันจะโดนหลอกพวกนี้มากแล้วมันมีอุปทานพวกนี้เยอะจนในที่สุดมันบังทีมันมันสงสัยอยู่เรื่อยอะสงสัยอยู่นะ ไ, ไอตัวนี้แหละเป็นตัวอันตรายมากเลยสงสัยไปสงสัยมาสงสัยไปสงสัยมาก็อยากรู้อยากเห็นอยากลองในที่สุด S <S <c oughs> เออพราะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยถึงบอกว่าน้าถ้าคุณเอา้าสมมติว่าเขาบอกว่าแหมอะไรนะต้องกอดต้องจูบกันอะไรเงี้ยนะตามที่เขาทั่วทั่วไปเนี่ยนนมาบอกคุณไม่ต้องไปลองของจริงกับเขาหรอกไอ้นั่นน่ะมันหยาบแล้วคุณลองบอกล้วนี่คุณคุณลองเอาเอาลิ้นเลียแขนคุณเองเท่านั้นแหละแล้วคุณลองดมดูคุณก็รู้แล้วว่ามันหอมหรือว่ามันเหนนม็นแค่เนี้ยมันมันโมสงสัยได้ ไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นเนี่ยถ้าถ้าคนฉลาดเนี่ยแค่นี้เขารู้แล้วเขาไม่ต้องโอโ้โหไปเสียเนื้อเสียตัวหรือว่าไปอะไรซึ่งมันมีปัญหาเป็นลูกโซ่ตามมาอีกเยอะแยะเลยถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก็อาตมาก็เคยเล่าให้ฟังมีดาราที่เขาต้องแสดงบทที่จะต้องจูบกันนะอันนี้อันนี้จากเรื่องจริงเลยนะดาราเขาจะต้องแสดงบทอันนี้ขึ้นมาเสร็จผู้กำกับเนี่ยก็ให้เขาจูบปากกัน ไอดาราคนนั้นบอกว่าเขาไม่ยอมนะอะ่เพราะฉะนั้นวิธีแก้ของเขาเขาคืออะไรเขาให้อ้าปากแล้วเอาฉีดสมพรใส่ปากก็ต้องฉีดสมอรใส่ปากก่อนเออเขาถึงจะยอมสแสดงบอกไม่อย่างนั้นเขาไม่ยอมสแสดงอืมของจริงเนี่ย น, นี่นี่คือของจริงเพราะอันเนี้ยถึงถึงบอกว่าขนาดบางทีพูดให้เราฟังอย่างนี้นะมันก็ยัง อืก็เห็นเขาโอ้โหดูดึงมันจะตายมันก็ยังไปสงสัยอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยเลยมันพยายามนะถ้าเป็นไปได้นะอย่าไปสงสัยอะไรพวกนี้เลยอะไรที่เราคิดว่ามันชัดเจนได้เราพอจะรู้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพิสูจน์ไปต้องไม่ต้องไปไปอะไรอะ่ะไปทดลองอะไรที่ไหนให้มันมีภาระต้องมาแบกต้องมายุ่งยากอะไรอย่าไปเลยนะถ้าเป็นไปได้ อันเนี้ยอันเนี้ยอตาตมาก็ได้แต่พูดเท่านั้นนะนะที่เหลือก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> นะใครเข้มแข็งใครมีอินทรีย์พ ร, ะ, ร ะ, ะที่มีความสามารถที่จะบังคับจีบบังคับใจตัวเองได้ก็รอดแต่ถ้าใครไม่เข้มแข็งใจอ่อนก็เสร็จอืมอาตมาก็เกือบเสร็จมาแล้วอะนะที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเกือบเสร็จมาแล้วกว่าจะรอดมาได้ถึงบอกโอโหปากเยียวปากกาจริงๆ อ่ะตอนนี้ต่อนะก็ตอนนี้ท่านก็พยายามเนี่ยเยตือนโดยท่านเองนะก็บอกเนี่ยอย่าไปติดในกรรมคุณห้าเนี่ยเสียงที่ได้ฟังก็ตามกลิ่นที่ได้ดมก็ตามรสที่ได้ลิ้มก็คือพวกเนี่ยอาหารการกินหรือแม้แต่เนี่ยเรื่องของลิ้นเรื่องของปากก็ตามนะอย่าไปหลงไปอุปท า, านหรือว่าสัมผัสแตะต้องเออแตอมาเห็นเดียเ๋ยวนี้ชอบเอาค่านิยมของฝรั่งที่บอกว่า อะไรเลี้ยงลูกหรือว่ารักลูกหรือในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องกอดต้องกอดเขาบอกรักถึงจะอบอุ่นถึงจะสร้างอะไรอะครอบครัวทําให้รู้สึกว่ารักรู้สึกว่าอะไรอะไปรอดอะอาตมาก็อยากถามแล้วแต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นเขต้องกอดกันเลยครอบครัวสมัยก่อนเขายังรักอบอุ่นยิ่งกว่าไอ้ครอบครัวเดี๋ยวนี้ ครอบครัวเดี๋ยวนี้มันจะบ้านแตกเอา <c oughs> อเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่ามันไม่ใช่หรอกครอบครัวจะดีจริงและจะไปรอดจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องกายเรื่องสัมผัสไม่ใช่มันอยู่ที่จิตใจนะถ้าอบรมจิตใจต่างๆนี้ให้ดีแล้วไม่จําเป็นเลยเรื่องพวกนั้นแล้วก็ ถ้าไปใช้วิธีนี้แก้นะอันนมาบอกด้วยเลยไปใช้วิธีนี้แก้วิธีนี้ก็จะยิ่งโดนใช้เยอะถ้าไปใช้วิธีนี้แก้นะโดยที่แบบว่าเนี่ยใช้การกอบใช้การจูบอะไรพวกนี้แก้วิธีพวกนี้ก็จะยิ่งหมักหมมยิ่งสะสมในสังคมนั้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้อะไรที่จะตามมาก็บอกแล้วมันก็ยิ่งหลงอุปทานพวกนี้หนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อย พอนจะยิ่งหนักข้อขึ้นหอนจริงๆแล้วบอกว่ามันไม่จำเป็นไม่ต้องอย่างนั้นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าหรือว่าแต่งตัวเนี่ยมันจะต้องเหมือนแฟชั่นเดี๋ยวนี้ไหมไม่ต้องเลยใช่ไหมใส่การล่อนการหนาวอะไรแค่นี้เพียงพอแล้วแล้วเขาก็มีความสุขมีความสบายแต่พอไปสร้างอุปทานเรื่องแฟชั่นเรื่องทรงผมเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้า คนเดียวที่จะมีความสุขก็ต้องต้องต้องมีทรงผมเดี๋ยวนี้ก็เห็นโฆษณาเยอะเหลือเกินไออยากหน้าใสอยากหน้าเนียนหน้าขาวโอ๊ไอยอไอยี่ห้อนั้นไอยี่ห้อนี้โอ้โหเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากเลยคุณไปดูนะโฆษณาที่อาตมาว่ามากที่สุดเนะี่ยคือโฆษณาพวกเนี้ไอไอไอไอผมเนี่ยนะไอแชมพูแล้วก็ไอทาผิวอะไรเนี่ยเยอะที่สุดเลยในะจอทีวีเยอะกว่าอย่างอื่นทั้งสิ้นเลย เพราะนั้นเนี่ยอย่าจะไปสร้างอุปทานพวกนี้มากแต่ก่อนเนะ่ต้องใช้หรือเปล่าแต่ก่อนโถเอยใช้มากูดมะนาวใช้อะไรก็พอแล้วไม่เห็นจะต้องไปบ้าบอคอแตกอะไร ก, ก, กันหนาเพราะนั้นพอยิ่งใช้ก็ยิ่งต้องใช้ไปเรื่อยๆใช่หมหยิ่งใช้ไปเยอะแยะยิ่งใช้มากมายแล้วก็ยิ่งต้องฟุงฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆเลยทั้งที่บางทีไม่จำเป็นเลยคนป่วยเท่านั้นแ่ะ หรือว่าคนเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรเออที่เขาจะต้องใช้อันนั้นก็อีกอย่างอ่าผิวผิวแห้งจริงๆผิวแตกเพราะสุขภาพเขาไม่ดีเออเขาต้องใช้ทาเอออันนั้นถูกต้องแต่อัเดียวนี้มันเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยผิวก็อยู่ดีๆอะเออก็ไปทาแม้ต้องบำรุงผิวต้องกันแดดต้องอะไรนะไม่รู้อะธรรมาก็ไม่ใช่ผู้หญิงนะ แต่ก็แหมรู้สึกว่ามันโอ้ยเลอะเทอะไปเรื่อยวันไอ้ไอ้พวกนี้ถ้าเราเองเราเข้าใจได้นะเราจะตัดปัญหาพวกนี้ไปได้มากมายเลยคนนั้นจะไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาอะไรใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้ให้มันสูญเสียไปมากมายอะไรแล้วคนก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ทุกวันนี้ธรรมชาติก็จะไม่พอใช้คุณคิดดูสิไอ้นู่นก็จะไม่พอไอ้นี่ก็ไม่พอ โอ้โหต้องปลูกต้องสร้างต้องอะไรอะ่ะรีบๆให้มันโตไวอะ่ะเพื่อให้ทันที่จะให้คนมาใช้ใช้ใช้งานมันได้โอโ้เพราะฉะนั้นมันแย่สภาพมันเลยยิ่งยิ ง, ยงอะไรอะ่ะแก่งแย่งแล้วก็ยิ่งหลงติดสวยติดงานพวกนี้หนักขึ้นเรื่อยๆอ้าวตอนนี้พอภิกสุวังคีสานเนี่ยท่านก็พยายามพิจารณาพวกนี้ใช่ไหม นอกจพยายามตัดพวกนี้ออกแล้วก็เตือนตัวเองอีกว่าภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีใจมั่นคงได้แล้วเป็นผู้ไม่ลวงโลกคือเนี่ยไม่ลวงโลกภาษาเนี่ยใช้ว่าไม่ลวงโลกคือไม่ไปหลอกโลกเ้าเพราะฉะันคนที่มีอุปทานอยู่ทุกวันนี้มากๆเนี่ยคือคนที่ลวงโลกไ ม, โลไม่ให้โลกเนี่ยรู้สัจจะรู้ความเป็นจริง หลอกคนในโลกเนี่ยให้หลงตำตามกันไปเพราะันท่านจึงบอกว่าเอ อ, อเราอย่าเป็นคนคนหนึ่งในโลกนี้นะที่เอาของหลอกๆเนี่ยมาหลอกคนอื่นต่อๆไปอีกเพราะเราควรจะเป็นคนที่รู้สัจจะรู้ความเป็นจริงเอาความจริงมาบอกกันและตัวเองก็ต้องทำความจริงนั้นให้เห็นชัดด้วยให้ปรากฏให้คนอื่นเนี่ยเห็นว่าอย่างยี่ก็ได้ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเหมือนกับพวกเรายืนยันว่า ไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์หรอกกินมังสวิรัตมีชีวิตอยู่ได้สบายมากอืมไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองต้องอหูมีรถมีบ้านมีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรใหญ่โตมากมายนั่นเราอยู่แบบเรียบเรียงง่ายก็อยู่ได้อย่ายืนยั น, ยนสัจจะพวกนี้ให้เขาเห็นนะแล้วเราจะไม่ลวงโลกมีปัญญาแก่กล้าไม่ทะเยอทะยานดับกิเลสได้สิ้นเกลี้ยง ย่อมรอคอยเวลาเฉพาะปรินิพานเท่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับพยายามอะไรอะ่ะสอนตัวเองแล้วก็แล้วก็บังคับอ่ะบังคับตัวเองพร้อมกับกับปลอบตัวเองไปด้วยว่าต้องทำอย่างนี้ให้ได้เนี่ยภิกษุวังกีสะจึงบรรเทาความกําหนัดได้ด้วยตนเองเช่นนี้คือในที่สุดเนี่ยพยาพยามพยายามพยายามจนกระทั่ง เออใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล ต, ต่างๆจนกระทั่งเองความรู้สึกที่เป็นกามเป็นราคะพวกนี้ก็เบาลงเบาลงลดลงไปเรื่อยๆกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีโอกาสเป็นปัจฉาสมณะของพะอ ร, ระอน์เถระเข้าใจใช่ไหมคำว่าเป็นปัจฉาของของพระอน์หมายความว่าหมายความว่าไงเป็นปัจฉาสมณะ เอ่อถ้าแปลตามภาษาเขาเนี่ยคําว่าปัจฉาสมณะเนี่ยหมายถึงว่าผู้เดินตามหลังก็แสดงว่ามีพระอนนท์เดินอยู่ข้างหน้าแล้วพระวังกีสารเนี่ยท่านก็เดินตามหลังเอ่อพระอนนท์ไปนะพระอนนท์ไปที่ไหนท่านก็ตามไปที่นั่นเป็นผู้อะไรอะ่ะไปเป็นเพื่อนหรือว่าไปบางทีถ้าข้างหน้าเป็นพันเตนเราเงี้ยเป็นเป็นพระรุ่นพี่เราก็อาจจะแบบว่า ช่วยเหลือเกื้อกูลอไรได้แล้วก็ช่วยเหลือนะอย่างเงี้ยไปด้วยกันแต่ไม่เดินข้างหน้านะต้องเดินตามหลังจึงจะเรียกว่าปัจฉาสมณะเนี่ยบังเอิญก็พอดีวันหนึ่งได้มีโอกาสไปเดินตามเหมือนกับมีเนี่ยพวกพวกเราที่บินทบาทที่เนี่ยซึ่งบางครั้งพ่อท่านก็ออกบินทบาทตอนเช้าก็มีพวกจะมาเรียกว่าแล้วแต่นะไม่รู้ใครจัดสายบินทบาทบางครั้งก็มีโอกาสจะเดินตามหลังพ่อท่าน ส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสได้เดินตามหลังพ่อท่านเนี่ยต้องมีเรื่องให้ได้คุยกับพ่อท่านเออบางทีก็ถามนั่นถามนี่ถามไอที่สงสัยปกติก็ไม่มาถามมนนะแต่พอได้บินธบาตด้วยกันแล้วก็ถามอนุภาคก็ยังเคยเลยเออก็เคยถามหรือบางทีอาจจะไปสักสองสามรูปเงี้ยบางทีเราไม่ถามรูปอื่นถามอีกพ่อท่านก็เอาก็าาพููจะฟังนะอันนี้ก็เหมือนกันกระากดว่าท่านก็เลย พระงกีสาก็ถามพระ อ, อนุนจึงถามถึงวิธีดับราคะพระเถระจึงได้สอนว่าจิตเร่าร้อนถึงกามราคะก็เพราะความสําคัญผิดสัญญาวิปรราชเข้าใจคำว่าสัญญาวิปรราชไหมสัญญาก็คื อ, อความทรงจำเนี่ยการกําหนดรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิปรราชวิปรราช เ, เพี้ยนไปละ นะมั น, ม, นมันผิดไปจากความเป็นจริงแล้วนะั่สัญญาพิปิลาคือว่าบอกว่าเนี่ยไม่ใช่อื่นหรอกที่ที่คนเราเนี่ยมันไปมีจิตเกิดกามเกิดตะไลเล่าร้อนในกามเนี่ยผ่านนนก็บอกว่าเนี่ยเพราะสัญญาพิปิลาตหรือพูดง่ายๆเพราะมันไม่มีอุปทานนั่นเองนะไปโดนคนอื่นหลอกแล้วก็ไปหลอกตัวเองหลอกตัวเองก็เลยเลยกลายเป็นไม่รู้ความเป็นจริง เมื่อไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยมันก็เลยผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสฉะนั้นท่านจงละเว้นนิมิต ท, ที่สวยงามเสียนี่พระ อ, อนุนกําลังบอกต้นเหตุแล้วบอกไอ้ที่ไปติดไปหลงเนี่ยก็เพราะว่านิมิตมันก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราไปสะสมเอาไว้ในสมองเราเนี่ยอ่าซึ่งเป็นอุปท า, านต่างๆเนี่ยเป็นนิมิตหมายถึงว่ามันก็เป็นภาพปรากฏขึ้นมาหรือบางคนจะเป็นได้ยินเสียงขึ้นมาในใน สมองตัวเองก็ตามอ่ะนะไปนึกนั่นไปนึกนี่อะไรที่มันมันเป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในจิตใจเรานะเขาก็เรียกว่าเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นรูปรอยขึ้นมานั้นเนี่ยบอกว่าเนี่ยเพราะนั้นจะต้องละไอ้พวกนี้ออกไปซะไอ้พวกที่เป็นของสวยๆงามๆของที่เราไปติดใจไปชอบใจพวกเนี้ยเพราะนิมิตนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะเนี่ยแหละเป็นตัวต้นเหตุ ท่านไม่ได้ไปโทษที่สิ่งที่เราไปเห็นนะท่านไม่ได้โทษแต่ท่านโทษถึงนิมิตนี่คือบอกว่าในจิตเราเองที่เราเนี่ยไปเอาสมมุติว่าเราไปเห็นผู้ชายสักคนหรือไปเห็นผู้หญิงสวยๆ ส, สักคนหนึเขาเดินไปไหนต่อไหนแล้วตอนเนี้เราเขาไมไ่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่มันยังเป็นนิมิตเนี่ยยังเป็นรูปลอยอยู่ในในความทรงจําของเราอยู่เลยเนี่ยอันเนี้ยเราก็ยินดีพอใจ บางทีก็มานั่งคิดมานอนคิดนั่งอยู่ดีๆก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ <c oughs> นะ่งปุ่งฟุงเบลโหอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ ย, ยมันเป็นอุปทานแล้วเข้ามาหลอกเข้ามาหลอนนันบอกว่าต้องต้องละพวกนี้ให้ได้พอมันเกิดขึ้นปับ๊บต้องรีบจัดการทันทีจงเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของแปรปรวนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของตนคำว่าสังขารในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าแค่ร่างกาย สังขารในที่นี้หมายถึงว่าการคิดปรุงแต่งเนี่ยพอเราเราไปนึกถึงสิ่งสวยๆงามๆขึ้นมาเนี่ยเราไปปรุงแต่งมาต้องเห็นให้ได้เลยนะว่าเนี่ยเนเนี่ยเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ได้แล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราจริงๆด้วยเดี๋ยวมันก็คิดอ น, นุ่นเดี๋ยวก็คิดอันนั้นคิดอะไรปรุงฟุ้งไปเรื่อยคิดคิดในทางดีก็ดีไป ค, คิดในทางรายมันก็ยิ่งเร็วอย่าเลยนะ จงดับราคะอันแรงกล้าอย่าให้ถูกราคาเผาผลาญบ่อยจงจเจริญจิตในอสุภกรรมฐานอ่าตอนนี้มาถึงอสุภกรรมฐานแล้วหมายถึงอะไรวิธีแก้กรรมนี่ก็คือท่องกันบ่อยพอจะรู้ว่าใช่อะไรใช้วิธีการของการปรงอสุภะนะที่ ท, ทั่วไปเขาก็ให้ไปแล้วให้ไปหัดดูศพนะโดยส่วนใหญ่นะ เอานี่เพิ่งตายนี่ตายมาแล้วหลายวันแล้วนะตัวเขียวแล้วขึ้นอืดแล้วหรือว่าถึงขั้นมีนอนมีแมลงออกมาตามจมูกตามปากตามหูอะไรแล้วหรือว่าจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกก็ตามอันเนี้ยทั่วไปอ่ะพระกรรมฐานที่เขาใช้ภาษาว่าพระกรรมฐานก็บางทีให้ไปฝึกอย่างเงี้ยให้ไปปรงอสุภาษไปดูศพพวกเนี้ยแล้วก็ปรงเพื่อที่ ไอ้ที่เคยแบบว่าโอ้โหผู้หญิงสวยอย่างนี้ผู้ชายหล่ออย่างนี้นะพอเรามาพิจารณาพวกนี้ว่าเอ อ, อหน้อยมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้น่ารักน่าใครอะไรแล้มันก็หืมหน่าเกียดจะตายเนี่ยเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมีเชื้อโรคต่างๆในตัวเรามากมายไปหมดนเนี่ยคือวิธีการอสุภกรรมฐานนะคือการพิจารณาเนี่ยให้เห็นถึงเป็นความสกปรกเป็นความน่ารังเกียจ อบรมจิตให้ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวด้วยดีจงมีกายคตาสติเอาแล้วนะคันนี้คือคาว่ากายคตาสติเนี่ยก็คือมีสติในการที่จะรู้กายของเราเนี่ยนะว่าว่าเป็นยังไงมั่งตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความหลอกเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยถ้าไม่มีสติคือไม่มีความรู้ตัวอยู่เวลามันปุงมันคิดอะไรเนี่ยมันคิดไปตามโลกโลก คิดไปตามโลกโลกดูหนังเห็นเขาแต่งงานแต่งการไปมีความสุขโอ้โหเขาอะไรยินดีเฉลิมฉลองอะไรต่ออะไรกันใหญ่บางทีเราดูไปเนี่ยเราเผลอนนะเราเพลิ น, นะพลนไปเราก็เอาแล้วคิดไปแล้วโอ้ถ้าเป็นชั้นก็ดีเหมือนกันนะโอ้ก็จะพาไปฮันนีมูนไปเอาไปแล้วนะั่นเริ่มไปใหญ่ละไปตามเขาเลยแล้วนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยไม่มีสติ ไม่รู้ตัวละมันเริ่มไปไหนตอนไหนล้เพราะฉะนั้นท่าเรามีสติเรารู้ตัวเนี่ยเราพิจารณาตามความจริงว่าโอ้โหอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาทุกข์นะยังมีสติรู้ตัวโอ้โหแต่งไบบี้เริ่มแล้วนะทุกข์เริ่มเริ่มนับหนึ่งแล้วนะอ่แนละ้วยิ่งอยู่ไปยิ่งอยู่ไปสองสามสี่เพิ่มทุกข์ขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีสติในการรู้ความจริงตามความเป็นจริง นะเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายในการแล้วที่สุดจนถอนอนุสัยถอนอนุใส่นี่ก็คืออกิเลส ต, ต่างต่างนะตัวจากตัวใหญ่ตัวกลางแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยอนุเนี่ยอนุเนี่ยแปลว่าตัวเล็กนะใหญ่เนี่ยเอาผมวตัดไปได้แล้วกลางนี่ก็ตัดไปได้แล้วแม้แต่อกิเลส ต, ตัวเล็กละเอียดอะบางทีเนี่ยไม่คิดจะไปแต่งอะไรกับใครแล้วนะแตยังอกไม่ได้อะ โอ้คนที้สวยดีนะเนี่ยยังสวยดียังแบบว่าอือแหม่ได้คุยด้วยก็คงจะดีอ่ะได้เห็นบ่อยๆก็คงจะดีอแต่ไม่คิดจะไปแต่งเลยนะกิเลสไม่หยาบถึงขั้นแบบว่าจะไปลักเขาถึงขั้นโอ้โหจะไปแต่งงานแต่งการอะไรแต่เนี่ยมันยังเหลือเหลือแบบว่าแหม่ยังยินดีพอใจได้เห็นคนสวยดีกับได้เห็นอะไรอ่ะแก้วหน้ามา้า นะ่าได้เห็นคนหน้าตาสวยๆเดีกว่าได้เห็นคนหน้าปู ป, ปุปะปะหน้าตาขี้ริว้วขี้เลอะไรออนี่เนี่แสดงว่าเรายังมีเชื้อที่ ท, ที่ที่ยังติดพวกนี้ยังมีอยู่แม้ว่ามันจะไม่หยาบแต่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องกิเลส ต, ตัวละเอียดตัวอะไรแล้วถ้ากิเลสพวกนี้สั่งสมมากเข้ามากเข้ า, ม, ามันก็จะโตขึ้นก็จะไปเป็นขนาดกลางอย่าไปเป็นขนาดใหญ่ก็ได้จนในที่สุดถ้ามันใหญ่แล้วก็ไปแต่งงานได้อีกเหมือนกัน เพราะนั้นตอนนี้ถ้ามันเป็นเหลืออนุใสนะัยเป็นกิเลส ต, ตัวเล็กแล้วเนี่ยรู้ตัวให้ได้โอ้ตอนนี้ไปยินดีไปชอบใจอีกแล้วรีบรี บ, รบจัดการไอ้นิดหน่อยน้อ ย, น, อยนิดอะไรพวกนีนน้เอาให้มันหมดไปเลยนะถ้าเป็นไปได้นันเนี่ยแล้วที่สุดจนจงถอนอนุใสคือมานะเสียให้สิน้นมานะนี่คือความถือตัว